1.9 จริตในการทำวิปัสสนามีสองอย่างคือตัณหาจริตและทิฏฐิจริตวงเล็บเปิด5มกราคม2550จุดจุดนาที58วงเล็ปิดการปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูจริตก่อนเบื้องต้นเลยจริตในการทำวิปัสสนามีสองจริตนะไม่ใช่ราคาจริตโทสะจริตอะไรนั่นนะฉะนั้นหจริตนั้นเอาไว้ทำสมถะจริตของวิปัสสนามี2อันคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริต ตัญหาจริตเนี่ยพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบพวกนี้ต้องรู้กายหรือเวทนาก่อนก่อนจะรู้กายหรือเวทนาต้องทำสมถธะฉะนั้นอย่างสายโคเอนก้าให้ทำสมาธิสายวัดป่ารู้กายทำสมาธิก่อนอันนั้นเป็นสมาธินาปัญญาทำความสงบเข้ามาพวกนี้จะทำความสงบง่ายพวกตัญหาจริตนะเพราะชอบความสุขอยู่แล้ว ให้ไปนั่งภาวนานะจิตใจมันชอบความสุขมันจะหันหน้าเข้าหาความสงบได้อย่างรวดเร็วทีนี้พอจิตใจมันสงบแล้วมันจะขี้เกียจขี้คร้านก็ต้องถอยออกมารู้กายหรือมารู้เวทนามันจะเห็นเลยว่ากายและเวทนาไม่ใช่มีความสุขกายและเวทนาไม่ใช่ตัวที่มีความสุขจริงมันจะดัดนิสัยที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามได้อย่างรวดเร็วนี่พวกตัหาจริตอีกพวกหนึ่งเขาเรียกว่าพวกทิฏฐิจริต ที่ติดจริตคือพวกคิดมากพวกคิดมากทำสมถะไม่ลงเพราะใจมันฟุ้งซ่านมากฉะนั้นถ้าจะไปทำสมถะก่อนชาตินี้จะไม่ได้ทำนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญานำสมาธิไม่ใช่สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิก็คือจิตของเราขณะนี้เป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเช่นจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านทาไมไม่ต้องทาสมาธิก่อนถ้าทาสมาธิก่อนมาดูจิตนะมันจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูจะมีแต่จิตสงบ ทำสมาธิก่อนก็จะไม่มีจิตที่มีราคาให้ดูมีแต่ความสงบทำสมาธิก่อนมันก็ขมโทสะไม่มีมีแต่ความสงบฉะนั้นเวลาจะดูจิตอย่าไปทำสมาธิก่อนขณะนี้รู้สึกอย่างไรรู้สึกเข้าไปเลยพอรู้สึกมากเข้ามากเข้าต่อไปมันจะเห็นกิเลสเช่นการมาฉันทาเกิดขึ้นสติก็เห็นพยาบาทเกิดขึ้นสติก็เห็นความลังเลสงสัยเกิดขึ้นสติก็เห็น พอเห็นแล้วกิเลสนิวรณเนี่ยนิวรพวกนี้จะดับไปพอนิวร์ดับนะสมาธิจะเกิดขึ้นเองอันนี้เป็นปัญญานําสมาธิคนละทางกันการดูจิตให้ดูสองอันคือดูความรู้สึกกับดูกิริยาอาการของจิตกิริยาอาการของจิตเช่นขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังแล้วก็ไปคิดจิตไปฟังก็รู้จิตไปดูก็รู้จิตไปคิดก็รู้ รู้กิริยาอาการการทำงานของเขาหรือรู้ความรู้สึกก็ได้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วงงก็รู้ว่างงอย่างนี้ใช้ได้แล้วรู้ความรู้สึกไม่ใช่รู้ความคิดนะรู้ที่ความรู้สึกความคิดเป็นเรื่องราวที่คิดเป็นสมมุติบัญญัติเรื่องราวที่คิดไม่ใช่รูปไม่ใช่นาม